สิกขาบทที่สภิกษุนีครึ่งเครียดบริาพาทคณะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบริาพาทต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบริาพาทแล้วต้องอาบัตปาจิตตี